มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดากะปัญหาชัตถวัชพระคัภโตราชะปัญหาที่เจ็ดถามว่าเดิมตรัสว่าพระองค์เป็นพรามภายหลังตรัสว่าเป็นพระยาธรรมราชเพราะเหตุอะไร สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสน่ข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยญาณปรีชาเฉลิมเทียรชชาสมเด็จพระบรมโล ก, กนาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีการตรัสไว้ว่าพิกโขเวดูรานะภิกษุทั้งหลายตถาคตนี้พระมโนเป็นพรามญาจะโยโค ประกอบขอทานทายกเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธบพิสุิมีพระพุทธดีกาตรัสดังนี้แล้วปุณะาะพานิตังพระองค์กลับมีพระพุทธดีกาตรัสประพาสอีกใหม่เล่าว่าทศ า, าคตเป็นสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงทศพิษราชธรรมนี่แหละพระพุทธดีกาตรัสเป็นสองไม่ต้องกันอายังปันโโหปริศนานี้เป็นอุพโตโกติ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาเคเษนถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเดิมสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธดีกาตรัสว่าตถาคตนี้พรมโนเป็นพราหมณ์ญาจโยโคเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตด้วยเหตุที่พระพิชิตมานยานสัพพัญยุบรมครูเจ้า ลอยบาปมิให้ซึมทราบอยู่ในบวรพุทธสันดานเหมือนพราหมณเหมือนกันพระองค์จึงบัญญัติพระนามพระองค์ชื่อว่าพราหมณ์ประการหนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายย่อมทําลายเสียซึ่งวิมัติสงสัยของมหาชนทั้งปวงมิให้สงสัยได้ยะถาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถศาสดาจารย์ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนา ทำลายเสียซึ่งวิมติกังขาของมนุษย์นาคนิกรอินพรมยมยักษ์และหมู่อาศุลให้สิ้นสงสัยดุจพรามทั้งหลายฉันนั้นประการหนึ่งพรามทั้งหลายย่อมเป็นผู้สละภพและคติและกำเนิดพ้นจากมณฑินและละ อ, องทุลีเมื่อจะกระทำให้หมดมณฑินทั้งหลายมีได้มีสหายเป็นสอง คือไปกระทาพิธีแต่ผู้เดียวตามวิสัยฉันใดสมเด็จพระบรมโลกหา้าเจ้าก็เป็นผู้สละพบและคติแลกกำเนิดทั้งปวงกำจัดเสียซึ่งพบทั้งสามคือกามาพบรูปประพบอรูปประพบให้ขาดจากพระบวรพุทธสันดานขาดทีเดียวมิได้ปรารถนาที่ว่าจะท่องเที่ยวเกิดตาอยู่ในภายในพบทั้งสามนั้น เมื่อพระองค์บรรเทาพระหารซึ่งกิเลสให้ขาดเด็ดขาดจากพระบวรพุทธสันดานก็ทรงกระทำพระมหาปทานวิริยะอยู่แต่ผู้เดียวตั้งมัธยัติพยายามเหมือนพรามทั้งหลายอันกระทำพิธีแต่ผู้เดียวฉันนั้นประการหนึ่งพรามทั้งหลายถือตัวว่าส่งไว้ซึ่งทิพยาวิหารธรรมอันประเสริฐเลิศลน้นเป็นอันมากฉันใด สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าก็มากไปด้วยทิพยพยาวิหารธรรมอันประเสริฐเลิศลน้นเป็นอันมากมีครุวนาดุดพรามทั้งหลายฉันนั้นประการหนึ่งพรามทั้งหลายย่อมถือการมาเรียนและสอนให้ผู้อื่นมาเรียนไตรเพศวิชาการทั้งหลายเป็นผู้รู้ขวนขวายรับทานทรมานตนสำรวมตนและมีนิยมกาหนดเป็นกาละเป็นสมัย รักษาไว้ซึ่งคำสอนอันมีมาแต่ก่อนกับทั้งประเวณีและวงมิให้อันตรธานสูญหายไปให้ตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามโลกกวิสัยยะถามีครุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโล ก, กนาศาาสดาจาร์ก็ทรงถือการเรียนและทรงสั่งสอนให้สาวกเล่าเรียนไตรสิกขาและพระกรรมฐานทั้งหลายทรงขนขวขยรับซึ่งทาน โปรดการทรมานฝึกฝนสำรวมตนและมีนิยมกำหนดพุทธกิจเป็นเวลาทรงรักษาคาสอนให้ตรงตามพระพุทธเจ้าในปางก่อนและทรงอาธรเอื้อเฟื้อปฏิบัติตามพุทธวงศ์อันเป็นประเวณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เที่ยงตรงถูกต้องทุกประการไม่ได้ผิดเพี้ยนดุดพรามอันประพฤติรักษาวงประเพณีของตนมิให้อันตารทานสูญไปฉะนั้น ประการหนึ่งพรามทั้งหลายย่อมเพ่งฌานในสุขวิหารดุจพรมฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถก็ทรงเพ่งฌานในสุขวิหารดุจพรมฉันนั้นอันหนึง่งพราม์ทั้งหลายย่อมรู้ความพระพฤติให้เป็นอภิชาติและความท่องเที่ยวไปในภพน้อยและภพใหญ่และคติทั้งหลายฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถศาสดาจารย์เจ้า ก็ทรงรู้ซึ่งจารีตอันประพฤติให้เป็นอภิชาติและความท่องเที่ยวไปในพบน้อยและพบใหญ่และคติทั้งหลายฉันนั้นประการหนึ่งพระนามของสมเด็จพระบรมโรกนาศา ส, สดาจารย์ทรงพระนามชื่อว่าพราามนั้นใช่ว่าสมเด็จพระพุทธบิดาสมเด็จพระพุทธมารดาและพระบรมวงศ์สาสกยราชและอมาต ร, ราชเสนาและมิตรทั้งหลาย อันเป็นที่สเสน่หาและฝูงเทพนิกร น, นาคยักษ์ยมทั้งหลายจะถวายพระนามหาไม่ได้เอตังนามังอันว่าพระนามนี้สมเด็จพระพิชิตมานโมลีเลิศบุคคลทศพลยานมาระเสนาวิทังสิทธวากำจัดหมู่มารและเสนาทั้งหลายแห่งมารให้ปราชัยพ่ายแพ้แล้วมิได้เนิ่นช้าโพธิยามมเล พระองค์เสด็จทรงนั่งอยู่ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพลลอยเสียแล้วซึ่งอากุศลกองบาปอันเป็นมลทินลามกทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตคือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตชาติให้ขาดจากพระบวรสันดานแล้วก็ได้ตรัสแก่พระประมาพิเศษสัมโพธิญาณจึงได้นามชื่อว่าพรามตามประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันได้ตรัสรู้ ทรงบัญญัติพระนามว่าพรามเหมือนกันทุกๆพระองค์มาเหตุชะนี้สมเด็จพระบรมโลกกนศาสดาจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระองค์เป็นพรามขอถวายพระพรลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานยอดปราด ข้อที่ว่าสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระองค์เป็นกษัตริย์นั้นเหตุผลเป็นประการใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระองค์เป็นกษัตริย์นั้นด้วยเหตุว่า สมเด็จพระบรมกษัตราธ์ที่ราชได้ซึ่งปราบดาพิเศษราชาพิเศษหรือปุตสาพิเศษได้ครองราชสมบัติด้วยรบได้ก็ดีได้ครองราชสมบัติด้วยประชาชนคนทั้งปวงเห็นสมควรยินยอมให้เป็นพระราชาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ดีเชิญให้ครอบราชสมบัติด้วยเสียงปุตสะพิชัยราชรถก็ดีครั้นได้เป็นใหญ่เป็นเท้าพระยาแล้ว ย่อมสั่งสอนพระฟ้าประชาราษดรข้าแผ่นดินอันอยู่ในขอบเขตขันธสีมาแห่งพระราชธานีนาคอนั้นฉันใดสมเด็จพระสัพพัญญุก็เสวยราชสมบัติเป็นใหญ่ในอนันตโล ก, กธาตชาติเขตทรงสั่งสอนอินพรหมอมเรนีกรมนุษย์นาคยักษ์ยมทั้งปวงด้วยพระสัตธรรมเทศนาดุดพระบรมกษัตริย์ขัตติยราชทั้งปวงฉันนั้นข้อหนึ่งเล่า สมเด็จพระบรมกษัตริย์อันได้ดำรงรัฐเป็นท้าวพระยาแล้วนั้นย่อมครอบงำเสียซึ่งมนุษย์นิกรชนทั้งปวงกระทำหมู่พระญาติให้มีจิตร่าเริงบันเทิงอารมณ์คมเสียซึ่งปัจจามิตรให้ย่อท้อมีแต่จะโศกเศร้าเหงาใจกลัวภัยจะมาถึงตนและทรงยกสเสวตระฉัตรอันขาวสะอาดปราศจากมลทินประดับด้วยซี่ครบร้อยไม่บกพร่อง นำมาซึ่งพระเกียรติยศและสิริสวัสดิ์แก่พระองค์เป็นอันมากชันใดสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กหน้าเจ้าก็ทรงกระทำ ม, มารและเสนา ม, มานผู้เป็นมิจฉาปฏิบัติประพฤติไม่ชอบทำให้เศร้าโศกรันทดใจและทรงชักดำกระทำเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบให้ได้ความชื่นบานาร่าเริงบันเทิงทั่วไป และทรงยกสเสวตรชัดมีสีขาวสะอาดปราศจากบนทินกล่าวคือพระวิมุตติธรรมอันล้ำเลิศมีคันอันมั่นคงกล่าวคือขันตีประกอบท้วสี่อันประเสริฐคือพระยานซึ่งจะนำพระเกียรติยศและสิริสวัสดิภาพให้แก่พระองค์เป็นอันมากในหมื่นโลกธาตุดุจบรมกษัตราที่ราชฉันนั้นประการหนึ่ง สมเด็จพระบรมกษัตราย์ที่ราชเป็นผู้อันมหาชนเป็นอันมากจะพึงเคารพนบไหว้ฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสตราจารย์ก็เป็นผู้ควรที่เท พ, พดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากจะเคารพนบไหว้ฉันนั้นประการหนึ่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์นั้นบุคคลผู้ใดกระทําความชอบในราชการ ก็พระราชทานมรังวัลเงินทองเสื้อผ้าสิ่งของอันพึงใจโดยสมควรแก่ความชอบในราชการชันใดสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนาศาสดาจาร j a เมื่อสัตว์โลกได้กระทำความชอบประกอบก่อสร้างบา ร, รมีไว้ด้วยกายวาจาใจข้อตามซึ่งนับว่าเป็นสุจริตรมแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มใสยพระรทานมรังวัลโล ก, กุตระสมบัติมากผล อันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้พ้นสับพะทุกทั้งปวงจะหาสิ่งอื่นประเสริฐล่วงนั้นไม่ได้ฝูงประชาชนที่มีบารมีอบรมไว้และมีความชอบคือประกอบปลูกศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาพระองค์ก็ประทานให้เพียงสวรรค์สมบัติดุจพระบรมกษัตริย์อันพระราชทานรางวัลแก่ข้าราชการโดยสมควรแก่ความชอบฉันนั้น ประการหนึ่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์ย่อมตรัสติเตียนบุคคลผู้มิยำเกรงต่อพระราชอาญาล่วงละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายเป็นผู้ร้ายควรจะลงโทษแล้วทรงกำจัดเสียฉันใดสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าก็ทรงติเตียนบุคคลอล拉ชีที่ไม่ประพฤติพระวินัยบัญญัติเหมือนฉันนั้นประการหนึ่ง สมเด็จบรมกษัตริย์ย่อมทรงแสดงธรรมานุธรรมปฏิบัติพระราชทานโอวาทแก่ข้าแผ่นดินสเสวยพระราชสมบัติโดยยุติธรรมตามประเพณีแห่งพระบรมกษัตริย์แต่ปางก่อนกระทาให้ชาวพระนครทั้งหลายมีความนับถือยำเกรงพระบรมเดชานุภาพรักใคร่ปรารถนาและทรงสถาปนาวงแห่งตระกูลของพระบรมกษัตริย์ไว้ให้มั่นคง ดำรงอยู่ต่อไปด้วยกำลังแห่งพระคุณธรรมชั้นใดแม้สมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าก็ทรงแสดงข้อธรรมานุธรรมปฏิบัติให้พระพุทธโอวาท ต, ตรัสสอนหมู่ประชานิกรสัตว์โลกทั้งปวงตามประเพณีแห่งพระสัพพันธ์อยู่เจ้าแต่ปางก่อนกระทาให้สรร พ, พสัตว์ทั้งหลายรักคร้ปรารถนาทั้งเทวดาและมนุษย์ยังพระศาสนาอันบริสุทธิ์ให้ถาวร ตั้งมั่นคงดำรงอยู่นานด้วยกําลังแห่งพระคุณธรรมดุดสมเด็จพระบรมกษัตราธิราชฉันนั้นมหาราชขอถวายพระพรสมเด็จพระจินวรบรมาศาสดาจารย์มีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างด้วยมีเหตุมากมายหลายประการแม้ภิกษุจะเป็นผู้มีโวหารอัญชลาด พนานาไปตลอดกานหนึ่งก็ไม่สามารถจะให้สิ้นสุดได้ต้องการอะไรที่จะพนานาให้มากไปกว่าเหตุเชิญบพิษรับไว้ปฏิบัติตามที่อาตมาถวายวิสัชนาโดยยอด่อชะนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินปิ่นประชาได้ทรงฟังพระนาคเษนผู้ปรีชาถวายวิสัชนาดังนั้นก็มีพระหาราทัยเบิกบาน ยอรพระกร น, นอบนบเคารพท้องสาธุการดุจในยะหนหลังพระควโตราชะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้